ว, ว่าด้วยวิธุระบันดิตบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีโทโหหละกันตอนว่าด้วยความแพ้ท้องพยานนาคตรถาม น, นางนาควิมลามเหสีว่าเธอมีผิวพรรณเหลืองสู้ผอมมีกำลังน้อยเมื่อก่อนผิวพรรณของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้เลยน้องวิมลาพี่ถามแล้วขอเธอจงบอก เวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่นไรนางนาควิมลาทูลตอบว่าพระองค์ผู้เป็นจอมชนชื่อว่าความแพ้ท้องเป็นธรรมดาของมารดาทั้งหลายในหมู่มนุษย์พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาบม่อมฉันปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งดวงหะไทยของวิทุระบัณฑิตที่นำมาได้โดยชอบธรรมพระเจ้าค่พะพญานาตรัสว่า เธอแพ้ท้องปรารถนาหาไทยของวิทุระบัณฑิตก็จะเหมือนกับปรารถนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หรือปรารถนาลมเพราะว่าวิทุระบัณฑิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครเล่าจากนําวิทุระบัณฑิตมาในหน้าพิพภพนี้ได้นางนางอีรันทดีผู้ธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงซบแซวอยู่ พระพักของพระองค์เหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำด้วยมือข้าแต่พระบิดาผู้เป็นอิสราธิปดีเป็นที่เกรงขามของศัตรูเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงทุกพระไทยขออย่าทรงเศร้าโศกเลยพระเจ้าข่าพญานาควรุณะตรัสว่าฮิรันทดีลูกรักมารดาของเจ้าปรารถนาซึ่งดวงหทไทยของวิทุระบัณฑิตเพราะวิทุรบัณฑิตยากที่ใครจะพบได้ ใครเล่าจากนำวิทุรบัณฑิตมาในหน้าพิพภพนี้ได้เจ้าจุงเที่ยวไปสแสวงหาสามีผู้ซึ่งจากนำวิทุรบัณฑิตมาในหน้าพิพภพนี้นางนาคมานวิกานั้นได้สดับพระตํารัสของพระบิดาแล้วมีจิตชุ่มด้วยิเลศออกไปเที่ยวตลอดคืนนางนาคอิรันทดีกล่าวว่าคนทันรากสดนาคคินนอนหรือมนุษย์พวกไหน คนไหนเป็นบัณฑิตสามารถจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงได้เขาจะเป็นสามีของเราตลอดกาลเสนาบดียะกล่าวว่านางผู้มีในตาหาทิฏฐิไม่ได้ขอเธอจงเบาใจเถิดเราจะเป็นผู้เลี้ยงดูเธอเพราะปัญญาของเราสามารถจะนำเนื้อดวงหทัยของวิทุรบัณฑิตมาให้ได้ขอจงเบาใจเถิดเธอจะเป็นพัญญาของเรา นางอิรันทดีผู้มีใจคำนัดรักใคร่เพราะเคยร่วมอภิรม์กันมาก่อนในพบก่อนเด็กล่าวกับปุณกญาติว่ามาเถอะท่านเราจะไปในสำนักของพระบิดาของฉันพระบิดาของฉันนี่แหละจะตรัส บ, บอกเนื้อความนี้แก่ท่านนางอิรันธดีประดับตกแต่งนุ่งผ้าเรียบร้อยแล้วทัดทรงดอกไม้ประพรมด้วยจุนแกนจันทร์จูงมือปุณกญาติ เข้าไปยังสำนนกของพระบิดาปุณกกะยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่ามูนาขอพระองค์โปรดสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงรับสินสอตามสมควรข้าพระองค์ปรารถนาพระนางอิรันธดีขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันธดีเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์โปรดได้ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้นเือช้างหนึ่ง้อยเชือกม้าหนึ่งอยตัวรถที่เทียมได้มาอัสดรหนึ่งรยคันเกวนบรรทุกของเต็มด้วยรัตนะต่างๆร้อยเล่มขอได้โปรดพระราชทานพระราชธิดาอิรันทดีให้แก่ข้าพระองค์เถิดพญา น, นาคตรัสว่าขอท่านจงรออยู่จนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติมิตร และเพื่อนที่สนิทเสียก่อนเพราะกรรมที่กระทำลงไปโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกันนั้นย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชเสด็จเข้าไปสู่นิเวศปรึกษากับพระชายาตรัคํานิว่าปุณ ก, กะยักษ์นี้นั้นมาขอลูกอิรันทดีกับเรา เราจะให้ลูกอิรันธดีผู้เป็นที่รักของเราแก่ปุณกะยักษ์นั้นเพราะได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจเป็นจํานวนมากหรือนางนาควิมาลามเหสีกราบทูลว่าปุณกะยักษ์ไม่พึงได้ลูกอิรันธดีของเราเพราะทรัพย์เพราะสิ่งที่น่าปลื้มใจแต่ถ้าปุณกะยักษ์จะพึงได้หาไทยของบัณฑิตนำมาในหน้าพิภพนี้ได้โดยชอบธรรมเขาจะพึงได้ลูกสาวของเราเพราะสิ่งที่น่าปลื้มใจนั้น หม่อมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งกว่านี้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นท้าวรุณะนาคราชเสด็จออกจากนิเวศตรัสเครียบปุญญกะยักษ์มาแล้วตรัสดังนี้ว่าท่านไม่พึงได้ลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย์เพราะสิ่งที่น่าปลื้มใจถ้าท่านได้หาไทยของบัณฑิตนำมานนนาพิภพนี้ได้โดยชอบธรรม ท่านจะพึ่งได้ลูกสาวของเราเพราะสิ่งที่น่าปลื้มใจนั้นเราไม่ปรารถนาซับปืนยิ่งเปกว่านี้ภูน ก, กะยักษกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในโลกนี้คนบางคนย่อมเรียกคนใดว่าเป็นบัณฑิตคนอีกพวกหนึ่งกลับเรียกคนนั้นนั่นแหละว่าเป็นพานในเรื่องนี้คนทั้งหลายยังกล่าวแย้งกันอยู่ขอพระองค์ได้ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเรียกใครเล่าว่าเป็นบัณฑิตพญานาควรุณตรัสว่าบัณฑิตที่ว่าวิทุระผู้ทําการสั่งสอนอัตธรรมแก่พระเจ้าทนัญชายโครพยะถ้าท่านดียินได้ฟังมาแล้วขอท่านจงเปน็นนาบัณฑิตนั้นมาครั้นท่านได้มาโดยชอบธรรมแล้วนางอิรันธดีจงเป็นผู้บํำเรอเท้าพัญญาของท่านเถิด พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าฝ่ายปุณกะยักษ์ได้สดับพระดำรัสของท้าวรุณนาคราชนี้แล้วก็ยินดียิ่งนักลุกขึ้นแล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นนั่นแหละว่าเจ้าจงนำมะอาชาในที่เตรียมไว้มาที่นี้นั่นแหละให้ได้มะอาชาในตัวนั้นมีหูทั้งสองข้างประดับด้วยทองมีกีบ คุ้มแล้วด้วยแก้วมณีแดงมีเครื่องประดับอกทําด้วยทองชมพูนุษย์อันสุกปล่งพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระดำรัดนี้ว่าปุณณะยากผู้ประดับแล้วจัดแจงแต่งผมและหนวดดีแล้วก็ขึ้นขี่มาอันเป็นยานพานะของเทวดาเหาะไปในอากาศกลางหาวปุณณะยักนั้นกาหนัดด้วยกลามราคะ กำลังปราถนานางอิรันทดีนากัญยาไปกราบทูลเท้าคูเวนเวสุวรรณผู้เรืองยศเป็นใหญ่แห่งพูดว่าพบนาคนั้นเขาเรียกว่าโพควดีนครบ้างวาสนานาครบ้างฮิรันวดีนครบ้างเป็นเมืองเนรมิตล้วนแต่ทองคำสำเร็จแต่พญานาคผู้สมบูรณ์ด้วยโภคซั์ทุกอย่างป้อมและเชิงเทินสร้างมีรูปทรงเหมือนคออูด ทำด้วยแก้วแดงและแก้วลายในหน้าพิพภพนั้นมีพระจาทําด้วยศิลามุงด้วยกระเบื้องทองคําในหน้าพิพภพนั้นมีต้นไม้มะม่วงไม้หมากเมาไม้ว่าไม้ตีนเป็ดไม้จิกไม้เกศไม้ประยงไม้ราชพฤกษ์ไม้มะม่วงหอมไม้ชบาและไม้ย่านสายไม้จำปาไม้กากระถิงมลิซ้อนมลิลา และไม้กระเบาต้นไม้ในหน้าพิภพเหล่านี้มีกิ่งโน้มเข้าหากันย่ามวนเทียนของนาคราชให้งามยิ่งนักในหน้าพิภพนั้นมีต้นอินทพลัมสำเร็จแล้วด้วยแก้วอินทนินผล ด, ดอกล้วนแต่ทองเป็นนิดจํานวนมากซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวรุณะนาคราชผู้มีฤทธิ์มากผู้ผุดเกิดพญานาคนั้นมีมเหสีกําลังสาวรุ่นทรงพระนามว่าวิมาลา มีพระรูปโฉมสง่างามดังแท่งทงง อ, ง อ, องคําสูงโปร่งโสดองค์ดังหน่อเถาจริงจ้อดำถันทั้งคู่มีสันฐานดังผลมะพร้างงดงามน่าชมยิ่งนักมีพระชวีวันแดงประดุดน้ําคแั่งเปรียบเสมือนดอกปณิกาที่แย้มบานน้อมลงเหมือนดังนางอับสอนที่เที่ยวไปในพบชั้นดาวดึงหรือเหมือนสายฟ้าแลบออกจากกลีดเมฆ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่พระนางวิมลานั้นทรงแพ้พระคันทรงปรารถนาซึ่งดวงหัตถยของวิทุระบัณฑิตข้าพระองค์จะถวายดวงหัตถยของวิทุระบัณฑิตนั้นแก่ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลารทั้งสองพระองค์นั้นเพราะเหตุนั้นท้าวเธอทั้งสองพระองค์นั้นจะพระราชทานพระนางอิรันทดีให้แก่ข้าพระองค์อุนกะยากนั้น ปู ล, ลาเท้ากูเวนเวสว ร, ร์ผู้เรืองยศเป็นใหญ่แห่งหมูยักษ์แล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนในที่นั้นนั่นแหละว่าเจ้าจงนําม้าอาชาในที่เตรียมไว้มาณะที่นี้เถิดม้าอาชาในตัวนั้นมีหูทั้งสองข้างประดับด้วยทองมีกีบพุ่มแล้วด้วยแก้วมณีแดงมีเครื่องประดับอกทําด้วยทองชมพูนสดอันสุก ป, ปลัง่งปุณกะยักษ์ผู้ประดับแล้ว จัดแจงแต่งผมและหนวดดีแล้วก็ขึ้นขี่ม้าอันเป็นยานพาหนะของเทวดาหเหาะไปในอากาศกลางหาวปุณกกะยักษ์นั้นได้เหาะไปยังกรุงราชครืออันน่ารื่นรมนักเป็นนครของพระเจ้าอังคะที่พวกข้าศึกไม่กล้าเข้าใกล้มีพักสาหารข้าวและน้ำมากมายดังพบของท้าววารสวะซึ่งชื่อว่ามาสักกะสาระเป็นนครที่อึกระทึก กรดก้องไปด้วยฝูงนกยูงและนกกระเรียนอืออึองไปด้วยฝูงนกต่างๆชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกมีนกต่างๆส่งเสียงร่ำร้องอยู่เอิงนี่มีเนินสวยงามดาราดไปด้วยดอกไม้เหมือนภูเขาหิมะผ่านปุณกะยักษ์นั้นขึ้นเวปุลละบรรพศซึ่งเป็นภูเขาศีลาล้วนเป็นที่อาศัยอยู่ของหมูกินนอนเช่สแสวงหาแก้วมณีดวงประเสริฐอยู่ จึงได้เห็นแก้วมณีนั้นในถ้ำกลางยอดเขาครั้นได้เห็นแก้วมณีอันมีรัศมีผุดผ่องเป็นแก้วมณีที่ประเสริฐสุดสามารถนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจมุ่งหมายรุ่งโรยโช่ช่วงอยู่กับหมู่แก้วบริวารเป็นอันมากสว่างสวัยอยู่ดังสายฟ้าในอากาศจึงได้เถอแก้วไปทูลชื่อว่ามโนหระรจินดาอันมีค่ามากมีอนุภาพมากเป็นผู้มีวั น, นะไม่ร้ม พึ่งขี่แรงมาอาชาในเหาะไปเนือากาศกลางหาวปุณกญาตินั้นได้เหาะไปถึงกรุงอินทปัตลงมาแล้วก็ไปสู่ที่ประชุมของชาวกุรุรัตเมื่อเกรงกลัวพระราชาร้อยหนึ่งพระองค์ที่ประชุมพร้อมเพลียงกันอยู่ณที่นั้นกล่าวทา้าทายด้วยสกาว่าบรรดาพระราชาในราชสมาคมนี้พระองค์ไหนหนอจะทรงชิงเอาแก้วมณีอันประเสริฐของข้าพระองค์ได้ หรือข่าพระองค์จะพึงชนะพระราชาพระองค์ไหนด้วยทรัพย์อันประเสริฐเมื่อชนะจะชิงเอาแก้วมณีอันประเสริฐอันยอดเยี่ยมกับพระราชาพระองค์ไหนอีกประการหนึ่งพระราชาพระองค์ไหนจะทรงชนะข่าพระองค์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐพระเจ้าโกรพยะตระมาถามว่าชาติภูมิของท่านอยู่แคว้นไหนถ้อยคำของท่านนี้ไม่ใช่ถ้อยคาของชาวกุรุรัตเลย ท่านไม่ได้เกรงกลัวเราทั้งมวลด้วยรัศมีแห่งผิวพันธ์ท่านจงบอกชื่อและพวกพ้องของท่านแก่เราปุณณกะยักษ์ทูลตอบว่าข้าแต่พระราชาข้าพระองค์เป็นมานกกัจจายนะโคชชื่ออนุนะญาติญาติและพวกพ้องของข้าพระองค์อยู่ในแคว้นอังคะต่างก็พากันเรือกข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่ส ม, มุติเทพ ข้าพระองค์มาถึงเมืองนี้ด้วยต้องการที่จะเล่นการพนันสกาพระราชาทั้งหลายตรัสว่าพระราชาทรงชำนาญการเล่นสกาเมื่อทรงชนะจะพึงนำเอาแก้วเหล่าใดไปแก้วเหล่านั้นของมานกมีอยู่หรือแก้วของพระราชามีอยู่เป็นจำนวนมากท่านเป็นคนเข็นใจจะมาพนันกับพระราชาเหล่านั้นผู้มีทรัพย์มากมายได้อย่างไรปุณณ ก, กะยายปราบโทว่า แก้วมณีของข้าพระองค์นี้ชื่อว่าสามารถนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนานักเลงสกาชนะข้าพระองค์แล้วพึงนำแก้วมณีดวงประเสริฐสามารถนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนาและมาอาชาในเป็นที่เกรงขามของศัตรูของข้าพระองค์ทั้งสองนี้ไปพระราชาทั้งหลายตรัสว่ามานแกน้วมณีดวงเดียวจกทำอะไรได้ ส่วนม้าอาชาในตัวเดียวจะทำอะไรได้แก้วมณีของพระราชามีอยู่เป็นจำนวนมากม้าอาชาในที่มีกำลังรวดเร็วดังลมของพระราชามีไม่ใช่น้อยเลยโทหละกันจบมณิกันตอนว่าด้วยอนุภาพแก้วมณีปุณกกายะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่าประชาชน ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้เถิดมีรูปหญิงและรูปชายปรากฏเป็นหมู่หมู่อยู่ในแก้วมณีดวงนี้มีรูปเนื้อและรูปนกปรากฏเป็นหมู่หมู่อยู่ในแก้วมณีดวงนี้มีพญานาคและพญาครุฑปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้เถิด ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูจตุรงคคลินีเสนานี้คือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบที่สวมเกราะอันธรรมดาได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเหล่าพลทหารที่จัดไว้เป็นกลมๆคือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบ ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูพระนครที่มีป้อมพร้อมมูลมีกำแพงและค่ายเป็นอันมากมีถนนสามแพร่งสี่แพร่งมีพื้นที่สวยงามอันธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเสารเนียร์ูคลองกลอนประตูเหล็กป้อมค่ายและซุ้มประตู ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูฝูงนกนานาชนิดเป็นจนํานวนมากมายที่ปลายเสาค่ายคือฝูงหงส์นกกเรียนนกยูงนกจักรภากและนกเขาที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูพระนครอันเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงนกชนิดต่างๆ คือฝูงนกดูว่าวดำนกดูว่าวที่มีปีกลายงดงามไก่ฟ้าและนกโพ ร, ระดกเป็นจำนวนมากที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้เถิดขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูพระนครที่ล้อมด้วยกำแพงทองคำน่าอัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวชักธงขึ้นเป็นประจำน่ารื่นรมลาดด้วยสายทองขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรร้านตลาด ที่เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดเรือนสิ่งของในเรือนถนนซอยและถนนหลวงขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรโรงขายสุรานักเลงสุราพ่อครัวเรือนครัวพ่อค้าหญิงแพทย์สยาหญิงงามเมืองที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างปรุงของหอม ช่างทอผ้าช่างทองและพวกช่างแก้วมณีที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกคนทําของหวานคนทาของข่าวพวกนักดนตรีคือบางพวกฟ้อนราขับร้องบางพวกปรบมือบางพวกตีฉิงที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรกลอง ตะโพนสังบันเดาะมะโหระทึกและเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ธรรมชาติได้นิรมิตไว้ในแกลมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเบิงมางชิงกลังสดานพินและฟ้อนรำขับร้องเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าที่เขาประคมตุกก้องที่ธรรมชาติได้นิรมิตไว้ในแกลมณีดวงนี้อันหนึ่ง ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกนักกระโดดนักโมยนักเล่นกลหญิงงามชายงามคนเฝ้ายามและช่างตัดผมที่ธรรมชาติเต้นเนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้ก็ในแก้มณีดวงนี้มีมหโหสพที่คลาคล้ำไปด้วยชายหญิงขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพื้นที่สําหรับเล่นมหโหสพ บ, บนเตียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกนักมวยผู้กำลังชกต่อยกันอยู่ในสนามมวยที่วงรอบเป็นสองชั้นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อนานาชนิดเป็นจำนวนมากที่เชิงเขาเช่นราชสีเสือโครง่งช้างหมีหมาใน เสือดาวแรดโคลานกระบือละมั่งกวางเนื้อสายระมาดวัวสุกรบ้านชมดแมวป่ากระต่ายและกระแตซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงเนื้อนาน า, นาชนิดที่มีอยู่กลากเกลืนซึ่งธรรมชาติได้นรมิตรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ในแก้วมณีดวงนี้มีแม่น้ำที่มีท่าน้ำสวยงามลาดด้วยทรายทองมีน้ำใสสะอาดไหลไปไม่ขาซ้ายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาอันหนึง่งในแม่น้ำนี้มีฝูงจระเข้มังกรตักโงงเต่าปลาสลาดปลากระบอกปลากฏดปลาเขา้าและปลาตะเพียนแวกว่ายไปมาขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนตราโบกรณี ที่ก่อสร้างด้วยแก้วไผ่ทูลซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงปลานานาชนิดดาราดาาไปด้วยหมูไม้ชนิดต่างๆที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนศสรโบรณีในแก้วมณีดวงนี้ที่ธรรมชาติเนรมิตไว้เป็นอย่างดีทั้งสี่ทิศเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงปลานานาชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาใหญ่ ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนรแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบเป็นแก่งแห่งสาครประกอบราวไพรที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนรบุพภวิเทหทวีปทางข้างหน้าอปรโขยานทวีปทางข้างหลังอุตรกุรุทวีปและชมพูทวีปทางด้านขวาที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนตรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่กําลังหมุนรอบภูเขาสิเนรุส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วทิศทั้งสี่และสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนตรภูเขาสินเนรุภูเขาหิ ม, มพานสมุทรสาครพื้นแผ่นดินใหญ่และชาวมหาราชทั้งสี่ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพุ่มไม้ในสวนหินดาดและเนินหินที่น่ารื่นรมย์เกลื่อนกล่นไปด้วยกินนอนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสวนสวนรรค์คือปารุสกกวันจิตละดาวันมิสักกวันนันทวันและเวชยันตะปราสาสที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้มณีดวงนี้ ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนสภาชื่อสุธรรมมาต้นปาริฉัดที่มีดอกบานสะพรั่งและพญาช้างเอราวันซึ่งมีอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ธรรมชาติได้เนรมิตรไว้ในแก้มณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ท่อพระเนธเธอพระเจ้าค่ะขอทูลเชิญทออพระเนรเหล่านางเทพปัญญาผู้เลอโฉมยิ่งนักดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ ผู้กำลังเที่ยวไปอยู่ในนันทวันนั้นที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทออพระเนตรเธอพระเจ้าค่ะขอทูลเชิญทออพระเนธเหล่านางเทพปัญญาผู้ประเล้าประโลมเทพบุะบุที่กําลังอภิรม์เหล่าเทพบุตรอยู่ในนันทวันนั้นที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทออพระเนตรประสาส์เกินกว่าหนึ่งพันหลัง ซึ่งมีพื้นลาดด้วยแผ่นแก้วไพลูนมีรัศมีเรืองรองที่ธรรมชาติได้นำมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนศวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมาเนรดีและชั้นประนิมิตวัสวัตดีที่ธรรมชาติได้นำมิตรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนศรรนเานาานสนนมมาบโอรณีที่มีน้ำใสสะอาด ซึ่งดารดาด่าไปด้วยดอกมณฑาลกดอกประทุมและดอกอุบลในสวรรค์นี้ในแก้วมณีดวงนั้นมีลายขาวสิบลายสวยงามน่ารื่นรมใจลายสีเหลืองอ่อนยี่สิเอ็ดลายและลายเหลืองขมิ้นส4บสี่ลายปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนั้นมีลายสีทองยี่สิบลายลายสีเงินยี่สิบลายปรากฏอยู่ลายสีแมลงข่อมทองสามสิบลายปรากฏอยู่ ในแก้มณีดวงนี้มีลายสีดำสิหกลายลายสีดอกฉบาย5ี่ห้าลายแซมด้วยลายดอกงอนไก่อันงามตระการตาด้วยดอกอุบลเขียวปรากฏอยู่ข้าแต่มหาราชผู้สูงส่งกว่าชาวประชาขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรแก้มณีดวงนี้ซึ่งมีรัศมีเรืองรองผ่องใสสมบูรณ์ทุกๆส่วนอย่างนี้อันเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะพนัน มณีกันจบอักขระกันตอนว่าด้วยการเล่นสกาต่อจากนั้นอุณกะยกักษ์เรียกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระราชาการเล่นในโรงเล่นการพนันสกาสําสำเร็จลงแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสถานที่จะทรงเล่นการพนันเถิดแก้มณีเช่นนี้สำหรับพระองค์ไม่มีเราทั้งสองเมื่อเล่นก็จะพึงชนะกันโดยธรรม ขอจงอย่าชนะกันโดยไม่ชอบธรรมถ้าพระองค์แพ้แล้วขออย่าได้ทรงทําให้เนิ่นช้าข้าแต่พระเจ้าสุรเสณปัญจาละผู้มีพระกิติศัพท์โด่งดังข้าแต่พระเจ้ามัชฌะพระเจ้ามัทะพร้อมด้วยชาวเกยกระชนบททั้งหลายขอพระราชาเหล่านี้จงทงทอดพระเนตร ก, การต่อสู้ของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการไม่ช่อโกง มิใช่ไม่ทรงทำใครให้เป็นพยานในที่ประชุมเลยพระศาสดาไม่จะทรงประกาศเนื้อความนี้จึงตรัสว่าพระราชาของชาวแคว้นกุรุและบุญกะยักษ์ทั้งสองนั้นต่างก็มัวเมาในการเล่นการพานันพากันเข้าไปสู่โรงเล่นการพานันพระราชาทรงเลือกอยู่จึงได้รับความปราชัยส่วนบุญกะยักษ์ได้ชัยชนะพระราชาและปุญกะยักษ์ทั้งสองนั้น เมื่อลูกสากามีพร้อมแล้วก็ได้เล่นการพนันในโรงเล่นการพนันนั้นปุณกะยักษ์ได้ใช้ชนะพระราชาผู้แกล้ า, ลาและประเสริฐกว่าชนในทํากลางพระราชาและพยานทั้งหลายเสียงบรรเลงลั่นได้มีขึ้นในสนามการพนันนั้นปุณกะยักษ์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชบรรดาเราทั้งสองที่ยังพยายามเล่นอยู่ความชนะและความแพ้ย่อมตกแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนพระองค์ทรงเสื่อมจากทรัพย์อันประเสริฐแล้วทรงแพ้แล้วขอพระองค์จงทรงพระราชาทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์โดยเร็วเถิดพระราชาตรัสว่าท่านกัดจานะช้างมา้าโคต้มหูแก้วมณีและรัตนะที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่ในแผ่นดินของเราท่านจงรับไปเถิดเชิญขนไปตามปรารถนาเถิด ปุณกกยายกราบทูลว่าช้างมา้าโคต้มหูแก้วมณีรัตนแม้อื่นใดที่มีอยู่ในแผ่นดินของพระองค์บัณฑิตชื่อว่าวิทุระเป็นผู้ประเสริฐกว่ารัตนะทั้งปวงเหล่านั้นข้าพระองค์ได้ชนะพระองค์แล้วโปรดพระราชทานวิทุระบัณฑิตนั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาตรัสว่าวิทุระบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนตัวของเราเป็นจรณะเป็นคติ เป็นที่พึ่งเป็นที่เร้นและเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของเราท่านไม่ควรเปรียกวิธุระบัณฑิตนั้นกับทรัพย์ของเราวิธุระบัณฑิตนี้เท่ากับชีวิตของเราเคือตัวเราเองปุณณะยะกราบโทลว่าการโต้แย้งกันของข้าพระองค์กับพระองค์จะพึงเป็นไปนานพวกเราไปถามวิธุระบัณฑิตนั้นดูดีกว่าวิธุระบัณฑิตนี้แหละจะไขข้อข้องใจนี้แก่เราทั้งหลายได้ วิทุระบัณฑิตจะกล่าวคำใดคำนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นแก่เราทั้งสองพระราชาตรัสว่ามานพท่านพูดจริงทีเดียวและไม่ได้พูดคำรุนแรงแก่เราพวกเราไปถามวิทุระบัณฑิตกันดูเถิดเราทั้งสองคนจงยินดีคำที่วิทุระบัณฑิตพูดนั้นปุณกกยายกราบทูลว่าเทวดาทั้งหลายรู้จักอมมาตในแคว้นปุรุชื่อว่าวิทุระ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมจริงหรือการบัญญัติชื่อว่าวิทุระในโลกนั้นท่านเป็นอะไรคือเป็นทาตหรือเป็นพระยาตของพระราชาวิทุระบัณดิกกลาบทูลว่าทาตมีสีจำพวกคือหนึ่งาตในเรือนเบีย้ยสองาตที่ซื้อมาด้วยซับ 3. ทาตที่ยอมตนเข้าเป็นผ้าเฝ้าสทาตเฉลย ในหมู่คนมีทาตสี่จำพวกเหล่านี้แม้ข้าพระองค์ก็เป็นทาตโดยกำเนิดแท้ทีเดียวความเจริญหรือความเสื่อมจะมีแก่พระราชาก็ตามข้าพระองค์ไปสู่ที่อื่นก็ยังคงเป็นทาตของสมุติเทพยอยู่นั่นเองมานกพระราชาก็จะพึงพระราชทานตัวข้าพเจ้าแก่ท่านโดยธรรมปุณกยากราทูลว่าชัยชนะนี้เป็นชัยชนะครั้งที่สองของข้าพระองค์ในวันนี้ เพราะว่าวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราดถูกฆ่าพระองค์ถามแล้วเด้ยชี้แจงปัญหาอย่างแจ่มแจ้งพระราชาผู้ประเสริฐไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมนอวิทุระบัณฑิตเดือกล่าวไว้ถูกต้องดีแล้วพระราชาไม่ทรงอนุญาตให้วิทุระบัณฑิตนี้แก่ฆ่าพระองค์พระราชาตรัสว่ากัาจานะหากวิทุระบัณฑิตได้ชี้แจงปัญหาแก่พวกเราอย่างนี้ว่าเราเป็นทาส เราไม่ได้เป็นญาติเลยท่านจงรับเอาวิทุระบัณฑิตผู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายพาไปตามที่ท่านปรารถนาเถิดอักขกันจบคราวาสะปัญหาปัญหาในการอยู่ครองเรือนพระราชาตรัสว่าท่านวิทุระพระหัสผู้อยู่ครองเรือนของตนจะพึงมีความประพฤติปลอดภัยได้อย่างไรจะพึงมีการสงเคราะห์ได้อย่างไร จะเพิ่งมีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างไรและอย่างไรคนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์คนจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไรวิธุระบัณฑิตผู้มีคติมีความเพียรมีปัญญาเห็นอัตธรรมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงด้วยกราทูลคำนี้กับพระราชาพระองค์นั้นในธรรมสภานั้นว่า ผู้อยู่ครองเรือนไม่ควรครบหญิงสาทานเป็นพัญญาไม่ควรบริโภคอาหารอันมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวไม่ควรซ่องเสกกล่าวถ้อยคําอันให้ติดอยู่ในโลกเพราะว่าคําอันให้ติดอยู่ในโลกนี้ไม่เป็นทางเจริญแห่งปัญญาผู้อยู่ครองเรือนควรเป็นคนมีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาเห็นประจักษ์มีความประพฤติถ่อมตนไม่กระด้าง สงบสงเงียบพูดคำไพเราะจับใจสุภาพอ่อนโยนผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตจจำแนกแจกทานรู้จักจัดทำกิจการงานบำรุงสมณะและพราหม์ด้วยข้าวน้ำทุกเมื่อผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ทำทรงสุดะมันสอบถามเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นผู้หูโสตโดยความเคารพคราหัดผู้อยู่ครองเรือนผมตน ควรมีความประพฤติปลอดภัยอย่างนี้ควรสงเคราะห์ได้อย่างนี้ไม่ควรเบียดเบียนกันและกันอย่างนี้และคนควรปฏิบัติอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสั์จากโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าจะไม่เศร้าโศกได้ด้วยประการฉนี้คราวาสะปัญหาจบลักษณะกันตอนว่าด้วยลักษณะของบัณฑิต ปุณกกายากราบทูลว่ามาเถิดท่านประเดี๋ยวเราจะไปกันพระราชาผู้เป็นใหญ่ได้ทรงพระราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้วขอท่านจงปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเท่านั้นนี้เป็นธรรมเก่าวิทุระบัณฑิกกล่าวว่ามานพข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านได้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระราชาผู้เป็นใหญ่ทรงพระราชทานให้ท่านแล้ว แต่พวกเราขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนของตนสักสามวันและขอให้ท่านยับยั้งรออยู่ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าจะได้สั่งสอนบุตรทั้งหลายก่อนปุณญ ก, กะยะ ก, กล่าวว่าคำที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนั้นจงเป็นไปตามที่ท่านกล่าวอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพักอยู่สามวันตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านจงทำหน้าที่ในเรือนเถิดจงสั่งสอนบุตรและพัญญาเสียแต่ในวันนี้ โดยวิธีที่บุตรและพัญญาของท่านจะพึงมีความสุขใจเมื่อท่านจากไปแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าปุณกะยายักษ์ผู้มีโภกระซับจำนวนมากกล่าวว่าตกลงแล้วได้หลีกไปพร้อมกับวิทุระบัณฑิตเป็นอารยชนผู้มีมารยาประเสริฐสุดได้เข้าไปสู่ภายในเมืองของวิทุระบัณฑิตที่เต็มไปด้วยช้างและม้าอาชาใน ประาาสาทของพระโพธิสัตว์มีอยู่สามหลังคือหนึ่งโกณจนะประสาท 2. มยุระประสาทส 3. ปิยเกตะประสาทในประสาทสามหลังนั้นพระโพธิสัตว์ได้ดพาปุณกกะยักษ์เข้าไปยังประสาทซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งมีพักษาเพียงพอมีข้าวน้ำมากมายดังวิมานของเท้าวาสวะซึ่งชื่อว่ามัจ ก, กะสาระ ในปราสาทหลังนั้นมีนารีทั้งหลายประดับอย่างงดงามฟ้อนรำขับร้องเพลงอย่างไพเราะจับใจเหมือนนางเทพอับสอในเทวโลกปลอมปุณกะยักษ์อยู่พระโพธิสัตว์ผู้รักษาธรรมได้รับรองปุณกะยักษ์ด้วยนางบำเรอที่น่า ย, ยินดีทั้งข้าวและน้ำแล้วคิดถึงประโยชน์ส่วนตนได้เข้าไปในสำนักของพัญญาในการนั้น เรีกล่าวกับพัญญาผู้รูปร้ายด้วยจุลแก่นจันและน้ำหอมผู้มีผิวพันผุดพองดังแท่งทองชมพูนุษว่านางผู้เจริญผู้มีดวงตาสีน้ำตาลมานี่เถิดจงเรียก บ, บุตรทั้งหลายมาฟังคำสั่งสอนนางอโนชาได้ฟังคำของสามีแล้วเรียกล่าวกับลูกสะภ้ยผู้มีเล็บแดงมีในตางามว่าเจ้าผู้มีผิวพันดังดอกบัวเขียวเจ้าจงเรียก บ, บุตรทั้งหลายเหล่านั้นมาเดิด พระโพธิสัตว์ผู้รักษาธรรมได้จุมพิตบุตรเหล่านั้นผู้มาแล้วที่กระหม่อมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวครั้นเรียกมาแล้วได้สั่งสอนว่าพระราชาในกรุงอินทปัตนี้ได้พระราชทานพ่อให้แก่มานพตั้งแต่วันนี้ไปพ่อจะมีความสุขของตนเองได้เพียงสามวันต่อจากนั้นไปพ่อก็จะต้องเป็นอยู่ในอำนาจของมานพนั้นเขาจะพาพ่อไปตามที่เขาปรารถนา พ่อกลับมาเพื่อจะสั่งสอนลูกๆว่าพ่อยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันให้แก่ลูกๆแล้วจะพึ่งไปได้อย่างไรถ้าพระราชาแห่งชาวแคว้นขุรุผู้มีพภกท้ศัพท์ที่น่าใคร่เป็นจำนวนมากทรงประสานชนผู้เป็นมิตรพึงตรามลูกทั้งหลายว่าเมื่อก่อนพวกเธอรู้เหตุการณ์เก่าๆอะไรบ้างพ่อของพวกเธอได้พร่ำสอนอะไรไว้ในก่อนบ้างก็ถ้าพระราชาจะพึงตรัสว่า พวกเธอเป็นผู้มีอาสนะเสมอกันกับเราในราชตรกูลนี้คนอื่นใครเล่าจะเป็นคนมีชาตรากูลสมควรกับพระราชาไม่มีลูกทั้งหลายพึงประนมมือกราบทูลพระราชาานั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพระองค์อย่าได้รับสั่งอย่างนี้เลยเพราะนั่นมิใช่ธรรมของพวกข้าพระองค์ข้าแต่ส ม, มุติเทพ พวกข้าพระองค์จะเพิ่มมีอาสนะเสมอกับพระองค์ได้อย่างไรเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวมีชาติต่ำต้อยจะเพิ่มมีอาสนะเสมอกับเสือได้อย่างไรพระเจ้าค่าลักษณะกันจบราชาวสติธรรมว่าด้วยธรรมสําหรับผู้อยู่ในราชสำนักพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า วิทุระบัณฑิตนั้นมีความดำริในใจที่ไม่หดหู่ได้กล่าวกับบุตรธิดาอมาตะญาติและเพื่อนสนิทดังนี้ว่าลูกรักทั้งหลายลูกทั้งหลายจงพากันมานั่งฟังราชวัตตีธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้เข้าไปสู่ราชตรกูลแล้วได้ยศเพราะบุคคลผู้เข้าไปสู่ราชตรกูลมีคุณความดียังไม่ปรากฏย่อมไม่ได้ยศ ผู้เป็นราชาสเสวกไม่ควรกล้าเกินไปไม่ควรขาดเกินไปควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ว่าในการไหนไหนเมื่อใดพระราชาทรงทราบ ป, ปัญญาและความบริสุทธิ์ของราชาสเสวกนั้นเมื่อนั้นพระองค์ก็ทรงวางพระทัยและไม่ทรงปกปิดความลับของพระองค์ราชาสเสวกที่พระราชาตรัสรับสั่งใช้ก็ไม่เพิงงวันไหวด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้น พึงเป็นผู้สม่ำเสมอเหมือนตราช่างที่บุคคลจับประคองให้มีคันเที่ยงตรงสม่ำเสมอดีฉะนั้นราชสเสวะผู้เห็นปานนี้นั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกเมื่อกระทำราชกิจทุกอย่างเหมือนตราช่างที่บุคคลจับประคองให้มีคันเที่ยงตรงสม่ำเสมอดีพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกนี้ผู้ฉลาดในราชกิจทั้งหลาย ที่พระราชาตรัสรับสั่งใช้ในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็าตามไม่พึงหวาดวันราชาสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชาสวกต้องเป็นผู้ฉลาดในราชกิจทั้งหลายทำราชากิจทุกอย่างไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนราชาสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ทางใดที่เขาทำประดับตกแต่งไว้เรียบร้อยดี เพื่อจะเด็จพระราชดำเนินของพระราชาพระองค์ทรงอนุญาตแล้วราชสวกก็ไม่ควรเดินตามทางนั้นราชสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสวกไม่พึงบริโภคตามทัดเทียมกับพระราชาไม่ว่าในการไหนไหนพึงดำเนินการตามหลังในทุกๆอย่างราชสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสวกไม่พึงใช้สอยเสื้อผ้าประดับประดาดอกไม้ เครื่องลูบไล้ทัดเทียมกับพระราชาไม่พึงประพฤติอากับกิริยาหรือการพูดจาทัดเทียมกับพระราชาแต่ควรทําอากับัิริยาอีกอย่างหนึ่งต่างหากราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสํานักได้เมื่อพระราชาทรงพระสํารารอยู่กับอามาตพระสนมกํานันในเฝ้าแหนอยู่อามาตต้องเป็นคนฉลาดไม่พึงทําการทอดสนิทในพระชายาทั้งหลายของพระราชา ราชาสเวกไม่พึงเป็นคนฟุ้งซ่านตลบตะแหลงพึงมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นราชาสเวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเวกไม่พึงเล่นหัวเจรจาปราศัยในที่ลับกับพระชายาทั้งหลายของพระราชานั้นไม่พึงเบียดบังทรัพย์จากพระคลังหลวงราชาสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ ราชาสเสวกไม่พึงหลับนอนมากนักไม่พึงดื่มสุราจนเมามายไม่พึงฆ่าเนื้อในสถานที่พระราชทานอภัยราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชาสเสวกไม่พึงนั่งร่วมพระพัทธระบิดพระบันลังเก้าอี้พระที่นั่งเรือพระที่นั่งและรถพระที่นั่งด้วยการทะนงตัวว่าเป็นคนโปรดปรานราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชาสเสวกต้องเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ควรเฝ้าห่างนักใกล้นักควรยืนเฝ้าในที่เฉพาะพระพักพอให้ทออพระเนรเห็นได้ถนัดราชาสเสวกไม่ควรทำความวางใจว่าพระราชาเป็นเพื่อนของเราพระราชาเป็นคู่หูของเราพระราชาทั้งหลายทรงพิโรธได้เร็วไวเหมือนในตาถูกผงกระทบราชาสเสวกไม่ควรถือตัวว่าเป็นนักปราดเป็นบัณฑิต พระราชาทรงบูชาไม่ควรเพชรทูลถ้อยคำที่ให้ทรงพิโรธกับพระราชาผู้ประทับอยู่ในราชบริษัทราชาสเวกผู้ได้รับพระราชาทานพระทวารเป็นพิเศษไม่ควรวางใจในพระราชาทั้งหลายควรเป็นผู้สำรวมเหมือนอยู่ใกล้ไฟราชสเวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้พระราชาจะทรงยกย่องพระโอรสหรือเชื้อพระวง์ของพระองค์ด้วยบ้านนิคม แว้นหรือชนบทราชาสเวเกควรจะนิ่งดูก่อนไม่ควรเพชรทูลคุณหรือโทษในเวลานั้นพระราชาจะทรงปูนบำเหน็จรังวันให้แก่ ก, กองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลรากตามความชอบในราชการของเขาราชาสวเวกไม่ควรทัดทานคนเหล่านั้นราชาสเวเกนั้นพึงอยู่ในราชาสานักได้ ราชาสเวสวกผู้เป็นปราดพึงอ่อนโยนเหมือนคันธนูและพึงโอนเอนไปตามเหมือนไม้ไผ่ไม่ควรทูลทัดทานราชาสเวสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเวสวกพึงเป็นผู้มีท้องน้อยเหมือนคันธนูเป็นผู้ไม่มีลิ้นเหมือนปลารู้จับประมาณในการบริโภคมีปัญญารักษาตนแกล้าราชาสเวสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ ราชาสเวกไม่พึงสัมผัสหญิงซึ่งเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นเดชคนที่ชิ้นปัญญาย่อมเข้าถึงโรคไอโรคมองคระความกรวนกระวายความอ่อนกำลังราชาสเวกไม่ควรพูดมากเกินไปไม่ควรนิ่งไปทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาควรพูดพอประมาณไม่พร่ำเพื่อราชาสเวกเป็นคนไม่มักโกรธไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นเป็นคนพูดจริงอ่อนหวานไม่ส่อเสียด ไม่พูดถ้อยคาเพ้อเจ้อราชาสเวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสวกพึงเลี้ยงดูมารดาและบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมีวาจาอ่อนหวานกล่าววาจาละมุน ล, ละไมราชาสเวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเวกเป็นผู้ได้รับแนะนําดีมีศิละปะฝึกฝนแล้วเป็นผู้ทำประโยชน์แน่นอนอ่อนโยนไม่ประมาท สะอาดและขยันราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพยำเกรงในท่านผู้เจริญเป็นผู้สงบสงี่ยมอยู่ร่วมกันเป็นสุขราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกพึงเว้นไกลซึ่งทูตผู้ที่พระราชาฝ่ายปรปักส่งมาเพื่อความลับพึงดูแลแต่เฉพาะพระราชวงศ์เท่านั้น ไม่พึงอยู่ในสำนักของพระราชาฝ่ายอื่นราชเสวกพึงคบหาสมาคมกับสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นผู้หูโสตโดยความเคารพราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกเมื่อคบหาสมาคมกับสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นผู้หูโสตพึงสมาทานราานาักษาอุโบสถศีลโดยความเคารพราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชาสเสวกพึงบำรุงเลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นผหูสูดด้วยข้าวและน้ำราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกผู้หวังความเจริญแก่ตนพึงคบหาสมาคมกับสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นผหูสูดมีปัญญาราชาสเสวกไม่พึงทำทานที่เคยพระราชาทานมาในสมณะและพราหมณ์ให้เสื่อมไปอันหนึ่ง เห็นพวกวนิพกที่มาในเวลาพระราชทานไม่ควรห้ามอะไรเลยราชสเสวกพึงเป็นผู้มีปัญญามีความรู้พร้อมมูลฉลาดในวิธีจัด ก, การราชกิจเป็นผู้รู้จักการลสมัยราชสเสวเกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องพิจารณาในการงานที่ตนจะพึงทำ จัดการงานได้สําเร็จเรียบร้อยดีราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสํานักได้อันหนึ่งราชเสเวกพึงไปตรวจตราดูลางข้าวสาลีปศุสัตว์และนาอยู่เสมอเสมอพึงตวงข้าวเปลือกให้รู้ประมาณแล้วให้เก็บไว้ในช้างพึงนับดูคนข้างเคียงในเรือนแล้วจึงให้หุงต้มข้าวแต่พอประมาณเท่านั้นไม่พึงตั้งบุตรหรือพี่น้องผู้ไม่ตั้งมั่นในศีลให้เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่านั้นเป็นพานไม่จัดว่าเป็นพี่น้องคนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนตายแล้วแต่เมื่อคนเหล่านั้นมาหานั่งอยู่แล้วก็ควรให้ผ้าเครื่องนุ่งห่มและอาหารพึงตั้งาธาตุกรรมกรคนใช้ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นคนขยันหมั่นเพียรให้เป็นใหญ่ราชสเสวกพึงเป็นผู้มีศีลไม่โลภและคล้อยไปตามพระราชา ประพฤตประโยชน์แก่พระราชานั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังราชสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสวกพึงเป็นผู้รู้จักพระอัธยาศัายของพระราชาและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระราชาไม่ควรประพฤติขัดต่อพระประสงค์ของพระราชาราชสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ในเวลาผลัดเปลี่ยนพระภูษาส่งและเวลาสงสนาน ราชาสเสวกควรก้มศีรษะลงชำระพระบาทแม้จะถูกกลิ้วก็ไม่ควรโกรธราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ผู้หุดผู้หวังความเจริญแก่ตนพึงทำอัญชลีแม้หม่อน้ำและทำประทักษิณแม้นกแอ่นลมได้ฉนายเล่าเขาจะไม่พึงนอบน้อมพระราชาผู้เป็นปลาสูงสุดผู้พระราชาทานสมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างให้ พระราชาผู้ซึ่งทรงพระราชทานที่นอนผ้า น, นุ่งห่มยานเรือนที่อยู่อาศัยทรงยังโภคะให้ตกไปทั่วถึงเหมือนเมฆยังน้ําฝนให้ตกไปเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั่วไปฉะนั้นแน่เจ้าทั้งหลายนี้ชื่อว่าราชวัสติธรรมเมื่อคนประพฤติตามย่อมทําให้พระราชาโปรดรานและย่อมได้การบูชาในเจ้านายทั้งหลาย ราชาวัชตตีธรรมจบอันันตระเปียญานว่าด้วยเนื้อความที่ย่อไว้ในระหว่างพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าวิธุระบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาครั้นพร่ำสอนหมู่ญาติอย่างนี้แล้วมีหมู่ญาติเพื่อนที่สนิทแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระราชาถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล่าวและทำประทักศิลพระองค์แล้ว ประนมมือกราบบังคมทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปราบอริราชศัตรูมานบนี้ปรารถนาจะทำตามประสงค์จึงนำข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จะกราบทูลประโยชน์ของญาติทั้งหลายขอพระองค์โปรดสดับประโยชน์นั้นขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเอาพระไัยใส่ดูแลบุตรภันยาของข้าพระองค์และทรัพย์อย่างอื่นๆที่มีอยู่ในเรือน โดยประการที่หมู่ญาติของข้าพระองค์จะไม่เสื่อมในภายหลังในเมื่อข้าพระองค์ถวายบังคมลาไปแล้วความพลั้งพลาดของข้าพระองค์นี้ก็เหมือนคนพลาดลม้มลงบนแผ่นดินแล้วกลับยืนขึ้นได้บนแผ่นดินเหมือนกันฉะนั้นข้าพระองค์ย่อมเห็นโทษนั้นพระราชาตรัสว่าท่านไม่อาจจะไปได้นั่นแหละเป็นความพอใจของเราเราจะสั่งให้ข้าเชืเฉือนมานกนั้นออกเป็นท่อน แล้วหมกไว้ให้มิชิดในเมืองนี้ท่านจงอยู่ณที่นี้แหละการทำได้ดังนี้เราชอบใจท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาอันสูงส่งกว้างขวางดุดแผ่นดินท่านอย่าไปเลยวิธุรบัณฑิตกลาทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงตั้งพระไยไว้ในอนธรรมเลยขอจงทรงประกอบพระองค์ไว้ในอัตและธรรมเถิดกรรมอันเป็นอกุศลไม่ประเสริฐบัณฑิตติเตียนว่า ผู้ทำกรรมอันเป็นอกุศลพึงเข้าถึงนรกในภายหลังนี่ไม่ใช่ทำเลยไม่เข้าถึงกิจที่ควรทำข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนธรรมดาว่านายผู้เป็นใหญ่ของทาตจะทุบตีก็ได้จะเผ า, าก็ได้จะฆ่าก็ได้ข้าพระองค์ไม่มีความโกรธเลยแล้วขอกราบบังคมทูลลาไปพระมหาสัตว์นั้นมีในตาทั้งสองข้างนองด้วยน้ำตา กำจัดความกระวนกระวายในหาไทยแล้วสวมกอดบุตรคนโตแล้วเข้าไปสู่เรือนหลวงบุตรทั้งหลายและพันยาในบ้านของวิศุระบัณฑิตต่างก็นอนร้องไห้คร่ำครวญไปมาอยู่เหมือนป่าไม้รังถูกพายุพัดล้มระเนระนาดพันยาหนึ่งพันคนและหญิงรับใช้เจ็ร้อคนต่างประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิศุระบัณฑิต พระสนมกำนันในพระกุมารแพทยและพราหมงทั้งหลายต่างพากันประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิทุระบัณฑิตกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิทุระบัณฑิตชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้ว ต่างพาก yeah. ันประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิตุระบัณฑ ac ิตพันยาหนึ่งพันคนและหญิงรับใช้เจ็ดร้อยคนต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรท่านจึงละทิ้งเราทั้งหลายไปพระสนมกำนันในพระกุมารแพทย์และพราหมณ์ทั้งหลายต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรท่านจึงละทิ้งเราทั้งหลายไป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 เพื่อมิตรอมาตคนใช้บุตรธิดาภันยาและพวกพ้องจัดการงานบอกมอบทรัพย์ในเรือนขุมทรัพย์และการใช้หนี้แล้วจึงได้กล่าวกับปุณกะยากดังนี้ว่าท่านกาจานะท่านได้พักอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าสามวันแล้วกิจทั้งหลายที่ควรทําในเรือนของข้าพเจ้าก็ได้ทําแล้วอันหนึ่งบุตรธิดาและภันยาข้าพเจ้าก็ได้สั่งสอนแล้วบัดนี้ ข้าพเจ้ายอมทำกิจตามอธยาศัยของท่านปุณกะยะกล่าวว่าท่านมหาอมาตผู้สำเร็จพระราชกิจทั้งปวงก็ถ้าท่านได้สั่งสอนบุตรที่ดาพัรยาและคนอาศัยแล้วขอเชิญท่านรีบไปน้าบัตนี้เถิดเพราะทางข้างหน้ายังอยู่อีกไกลนนะักท่านอย่าได้กลัวเลยจงจับหางมาอาชาในเถิดนี้เป็นการเห็นชีวโลกครั้งสุดท้ายของท่าน วิธุระบัณฑิตกล่าวว่าข้าพเจ้าจักสะดุ้งกลัวไปทำไมเพราะข้าพเจ้าไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและใจที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติพญามานั้นนำวิธุระบัณดิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไม่กระทบกิ่งไม้และภูเขาเลยเหาะไปถึงภูเขากาลาคีรีอย่างรวดเร็วพันยาหนึ่งพันคนและหญิงรับใช้เจร้อยคน ต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่ายักษ์ได้แปลงเป็นพรามนำวิทุระบัณฑิตไปพระสนมกำนันในพระกุมารแพทยและพรามทั้งหลายต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่ายักษ์ได้แปลงเป็นพรามนำวิทุระบัณฑิตไปกองพนช้างกองพนม้ากองพลรถและกองพลราบต่างประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่า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 พระสนมกำนันในพระกุมารแพทย์และพราหมงทั้งหลายต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่าบัณฑิต น, นั้นไปแล้วณนะที่ไหนกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่าบัณฑิตนั้นไปแล้วณนะที่ไหนชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้วต่างพากันประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่า บัณฑิตนั้นไปแล้วณที่ไหนถ้าบัณฑิตนั้นจะไม่มาภายในเจ็ดวันข้าพระพุทธเจ้าจากพากันเข้าไปสู่วองไฟทั้งหมดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยชีวิตพระราชาตรัสว่าวิธุระบัณฑิตเป็นคนฉลาดหลักแหลมสามารถแสดงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้แจ้งชัดมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคงจะปลดเรื่องตนได้ฉับพลัน ท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลยวิทุระบัณฑิตปลดเรื่องตนได้แล้วจะรีบกลับมาอนันตระปริยานจบสาธุนรธรรมกันตอนว่าด้วยธรรมของคนดีพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าปุณกะยักษ์นั้นไปยืนคิดอยู่บนยอดภูเขากาลาคีรีนั้นว่า เจตนาย่อมเป็นของสูงสูงต่ำตำ่ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของวิทุระบัณฑิตนี้ไม่มีแก่เราเราจะฆ่าวิทุระบัณฑิตนี้แล้วจกนําแต่หัวใจของเขาไปปุณกกายักษ์มีจิตคิดพระทุษร้ายลงจากยอดเขาไปสู่เชิงเขาพักพระมหาศัตว์ไว้ในระหว่างภูเขาช่ำแรกเข้าไปภายในภูเขานั้นจากพระมหาสัตว์เอาศีรษะหย่อนลงแล้ว ว่างลงไปที่พื้นดินที่ไม่มีอะไรกี่ขวางวิทุระบัณฑิตเป็นอมาตะผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุเมื่อถูกค่อยศีรษะลงในเหวชั้นที่น่ากลัวน่าเสื่ดสยองน่าหวาดเสียวก็ไม่จะดุ้งกลัวได้กล่าวกับปุณณกะยักษ์ดังนี้ว่าท่านมีรูปร่างดังผู้ประเสริฐแต่หาเป็นคนประเสริฐไม่คล้ายจะเป็นคนสำรวมแต่ไม่สำรวมทำกรรมหยาบช้าไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ุศสนใจแต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีในใจของท่านท่านปรารถนาจะโยนข้าพเจ้าลงไปในเหวท่านจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความตายของข้าพเจ้าวันนี้ผิวพรรณของท่านเหมือนของอมนุษย์ท่านจงบอกข้าพเจ้าท่านเป็นเทวดาได้อย่างไรปุณณะยักตอบว่าถ้าท่านทราบมาแล้วว่าข้าพเจ้าชื่อปุณณะและเป็นอมาตะคู่ชีพของท้าวกูเวพยพญานาคใหญ่นามว่าวารุณะ ผู้ครอบครองนาพิภพมีรูปงามสะอาดถึงพร้อมด้วยผิวพรรณแห่งสรีระและกำลังข้าพเจ้ารักใคร่อยากได้นางนาคกัญญาชื่ออิรันทดีผู้เป็นทิดาของพญานาคนั้นท่านผู้เป็นปราดเพราะเหตุแห่งนางอิรันทดีผู้มีเอวงามน่ารักนั้นข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะฆ่าท่านวิธุระบัณฑิตกล่าวว่ายักษ์ท่านอย่าได้ลุ่มหลงนักเลย สัตว์โลกเป็นจำนวนมากพี่นาดไปเพราะความถือผิดเพราะเหตุไรท่านจึงทำความรักใคร่ในนางอิรนันธดีผู้มีเอวงามน่ารักท่านจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความตายของข้าพเจ้าเชิญเถิดข้าพเจ้าขอฟังเรื่องทั้งหมดปุนญกายยักษ์กล่าวว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่ดาของพยาวรุณะนาคราชผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นผู้รับอาสา นำญาติของนางอิรันทดีมาญาติเหล่านั้นได้สัมพันเข้าพเจ้าว่าถูกกรามครอบงำด้วยดีฉะนั้นพญาวรุณนาคราชพ่อตาจึงได้ตราสกับข้าพเจ้าผู้กําลังทูลขอนางอิรันทดีนาคัญยานั้นว่าเราทั้งหลายพึงให้ธิดาของเราผู้มีร่างกายงดงามมีเนตรงามอย่างหน้าพิศวงค์มีตัวรูปร้ายด้วยจุนแข่นจันถ้าท่านจะพึงให้ดวงหทัยของบัณฑิต นำมาในหน้าพิภพนี้โดยธรรมเพราะความดีความชอบนี้ท่านก็จะได้ที่ด่าของเราเราทั้งหลายไม่ได้ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่านั้นท่านมหาอมาร์ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนหลงท่านจงฟังให้ทราบเรื่องอย่างนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้มีความถือผิดอะไรอะไรเลยเพราะหาไทยของท่านที่ข้าพเจ้าได้ไปโดยชอบธรรมท้าววรุณนาคราชและนางวิมลา จะประทานนางอิรันธดีนากญยาให้แก่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามฆ่าท่านข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ด้วยการตายของท่านอย่างนี้จึงผลักท่านให้ตกลงในเหวนี้ฆ่าแล้วจะนำเอาดวงหาตัยนั้นไปวิทุระบัณฑิตกล่าวว่าจงวางข้าพเจ้าลงโดยเร็วเถิดถ้าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยหัทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทำทำเหล่านั้นทั้งหมดให้ปรากฏในวันนี้ปุณณะยากนั้นรีบวางวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุลงบนยอดเขาเห็นวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ต่ำสามด้วยความเบาใจนั่งอยู่จึงถามว่าข้าพเจ้าได้ยกท่านขึ้นจากเหวแล้ววันนี้ข้าพเจ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยหัตของท่านอยู่ ท่านจงทำรมเหล่านั้นทั้งหมดให้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในวันนี้เถิดวิทุระบันติกล่าวว่าท่านได้ยกข้าพเจ้าขึ้นมาจากเหวแล้วถ้าท่านยังมีความจำเป็นที่ต้องทำด้วยหัตถยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำทมเหล่านั้นทั้งหมดให้ปรากฏในวันนี้มานพท่านจงเดินตามไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วจงอย่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่มอย่าได้ประทุษร้ายในมิตรทั้งหลายในการไห น, ไหน ย่าตกอยู่ในอำนาจของเหล่าอาสตรีปุณกะยักถามว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้เดินไปตามทางที่เดินไปแล้วอย่างไรชื่อว่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่มอย่างไรบุคคลเช่นไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรหญิงเช่นไรชื่อว่าอัสตรีข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนี้เถิดวิธุระบัณฑิต ต, ตอบว่า ผู้ใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไม่เคยอยู่ร่วมกันไม่เคยพบเห็นกันด้วยอาสนะบุรุษพึงทำประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าบุรุษนั้นเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วบุคคลพึงอยู่ในเรือนของผู้ใดแม้เคืรนเดียวพึงได้ทั้งข้าวและน้ำไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้นแม้ด้วยใจผู้คิดร้ายบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่ม และชื่อว่าประทุษร้ายมิตรบุคคลพึงนั่งหรือนอนที่ร่วมของต้นไม้ใดไม่ควรหักรากกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามหากบุรุษพึงให้แผ่นดินนี้ที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แก่หญิงผู้ที่สามียกย่องเป็นอย่างดีหญิงนั้นได้โอกาสแล้วพึงดูหมิ่นบุรุษนั้นก็ได้บุคคลไม่พึงตกอยู่ในอำนาจของอสตรี บุคคลชื่อว่าเป็นผู้เดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่มอย่างนี้ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของอสสตรีอย่างนี้และชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรอย่างนี้ท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมและเลิกอัธรรมเถิดสาธุนรธรรมกันจบกาลาคิริกันตอนว่าด้วย ปูเขาสีดำปุณณ ก, กะยักษ์กล่าวว่าเขาพระเจ้าได้พักอยู่ในเรือนของท่านสามวันทั้งเป็นผู้ที่ท่านบำรุงด้วยข้าวและน้ำท่านเป็นนิสของเขาพระเจ้าเขาพเจ้าจะปลดปล่อยท่านท่านผู้มีปัญญาอันสูงส่งเชิญท่านกลับไปเรือนของท่านตามต้องการเถิดความต้องการของตระกูลนาจะเสื่อมไปก็ตามเถิดเหตุที่จะได้นาง น, า ก, กนากัญญาเขาพระเจ้ายกเลิกแล้ว ท่านผู้มีปัญญาเพราะคำสุภาษิตของตนเองแท้ๆท่านจึงพ้นจากข้าพเจ้าผู้จะฆ่าท่านในวันนี้วิทุระบันฑิกกล่าวว่าปุณกญาติเชิญท่านนำข้าพเจ้าไปในสานักของพ่อตาของท่านเถิดจงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็อยากเห็นท้าวรุณอธิปดีของหน้าและวิมานของเท้าเธอที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นปุณกญาติกล่าวว่า คนผู้มีปัญญาไม่ควรจะดูสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่ตนท่านผู้มีปัญญาอันสูงส่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรหนอท่านจึงปรารถนาจะไปยังบ้านของศัตรูเล่าวิธุระบันเดกกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็รู้ชัดถึงสิ่งที่ผู้มีปัญญาไม่ควรจะดูแต่ข้าพเจ้าไม่มีกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แล้วในที่ไหนเลยเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่รังเกียจความตายที่จะมาถึงตนปุณณะยะ ก, กล่าวว่าท่านบัณฑิตเชิญเถิดท่านจงมากับข้าพเจ้าไปดูพิภพของพญานาคซึ่งมีอนุภาพมากหาที่เปรียบไม่ได้เป็นที่อยู่อันมีการฟ้อนรำขับร้องตามปรารถนาเหมือนนิกีลิตะราชธานีเป็นที่ประทับอยู่ของเทวเวสุวรรณฉะนั้นหน้าพิภพนั้นเป็นที่เที่ยวเล่นเป็นหมู่หมู่ ของนางหนากัญญาตลอดวันและคืนเป็นนิดมีดอกไม้ดาระดาดอยู่มากมายหลายชนิดสว่างสวัยดังสายฟ้าในอากาศประกอบด้วยข้าวและน้ำเพียบพร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมเต็มไปด้วยนางหนากัญญาที่ประดับอย่างสวยงามงดงามไปด้วยผ้านุ่งห่มและเครื่องประดับปุณกะยักษ์นั้นเชิญให้วิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุ ไปนั่งบนอาชนะข้างหลังได้พาวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ต่ำซามเข้าสู่พบของพญานาควิจุระบัณฑิตถึงที่อยู่ของพญานาคซึ่งมีอานุภาพมากหาที่เปรียบไม่ได้แล้วได้อยู่ข้างหลังของปุณกกายักษ์พญานาคได้ทอดพระเนรเห็นลูกเคยของตนก่อความสมคีตนเองก็รีบตรัสทักทายปราศัยก่อนเลยทีเดียวว่าท่านได้ไปยังโลกมนุษย์ เที่ยวแสวงหาดวงหัตถของวิทุระบัณฑิตกลับมาถึงหน้าพิภพนี้ด้วยความสําเร็จหรือหรือว่าท่านได้พาอาวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ต่ํำซามมาด้วยปุณกกายะกราบทูลว่าท่านผู้นี้แหละคือวิทุระบัณฑิตที่พระองค์ทรงปรารถนามาแล้วท่านวิทุระบัณฑิตผู้รักษาธรรมข้าพระพุทธเจ้าได้มาแล้วโดยธรรมเชิญพระองค์ทอดพระเนตรวิทุระบัณฑิต กู้จะแสดงธรรมถวายด้วยเสียงอันไพเราะเฉพาะพระพักการสมาคมกับสัตว์ประหลุททั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้โดยแท้กาลาคิริกันจบพญานาตรถามว่าท่านเป็นมนุษย์มาเห็นหน้าพิภพที่ตนไม่เคยเห็นถูกภัยคือความตายคุกคามแล้วไม่กลัวและไม่อภิวาทอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่มีแก่ผู้มีปัญญา วิจุระบัณฑิกกราบทูลว่าข้าแต่พญานาคข้าพระองค์ไม่กลัวและไม่ถูกภัยคือความตายคุกคามนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารไหว้ตนคนจะกราบไหว้ผู้ปรารถนาจะฆ่าตนหรือผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะเพึงให้ผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนได้อย่างไรกรรมนั้นย่อมไม่สําเร็จพญานาคตรัสว่า บัณฑิตคำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูดท่านพูดจริงนักโทษประหารไม่ควรกราบไหว้เพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่ควรให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนคนจะกราบไหว้ผู้ปรารถนาจะฆ่าตนหรือผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะเพิงให้ผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนได้อย่างไรกรรมนั้นย่อมไม่สําเร็จวิทุระบัณฑิตกราบทูลว่าฆ่าแต่หน้าคราช วิมานของพระองค์นี้เป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นเหมือนเที่ยงริกความรุ่งเรืองกำลังความเพียรและการอุบัติในหน้าพิภพได้มีแล้วแก่พระองค์ข้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกับพระองค์วิมานนี้พระองค์ทรงได้มาอย่างไรหนอวิมานนี้พระองค์ทรงได้มาเพราะอาศัยอะไรหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤระดูการพระองค์ทรงสร้างขึ้นเอง หรือเหล่าเทวดาถวายพระองค์ข้าแต่พญานาคขอพระองค์ตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงได้วิมานนี้เถิดพญานาคตรัสว่าวิมานนี้เราจะได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หามิได้จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได้เรามิได้ทําขึ้นเองเหล่าเทวดาก็มิได้ถวายวิมานนี้เราได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ต่ำชามของเราเอง วิทุระบัณฑิตทูลถามว่าข้าแต่หน้าคราชอะไรเป็นวัดอะไรเป็นโพรมจันของพระองค์ฤทธิ์ความรุ่งเรืองกำลังความเพียรและการอุบัติในหน้าพิภพทั้งวิมานใหญ่ของพระองค์นี้เป็นผลของกรรมอะไรที่พระองค์ทรงประพฤติไว้ดีแล้วพญานาคตรัสว่าเราและพันยาทั้งสองเมื่อครั้งยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทานบดี ครั้งนั้นเรือนของเราเป็นดังบ่อน้ําเราได้บำรุงสมณะและพราหมณทั้งหลายให้อิ่มน้ําชําระนแล้วเราทั้งสองได้ถวายทานเคยดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล่เครื่องประทีบที่นอนที่พักผ้านุ่งหม่มผ้าปูนอนข้าวและน้ําโดยเคารพทานที่ได้ถวายด้วยความเคารพนั้นเป็นวัดของเราและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของเราท่านนักปราช ฤทิ์ความรุ่งเรืองกำลังความเพียรการอุบัติในหน้าพิภ พ, พและวิมานใหญ่ของเรานี้เป็นผลแห่งวัดและพรหมจรรย์ น, นั้นที่เราประพฤติดีแล้ววิจุระบัณฑิตกลาดทูลว่าถ้าวิมานนี้พระองค์ทรงได้มาด้วยอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้พระองค์ย่อมทรงทราบผลบุญและทราบการอุบัติในหน้าพิภ พ, พ, พ, พเพราะผลบุญเพราะเหตุนั้นแหละขอพระองค์อย่าทรงประมาท จงทรงประพฤติธรรมตามที่ได้ครอบครองวิมานนี้ต่อไปเถิดพญานาคตรัสว่าท่านบัณฑิตในนาพิภพนี้ไม่มีสมณะและพราหมณ์ที่เราจะถวายข้าวและน้ำเลยเราถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แกเราโดยที่เราจะพึงได้ครอบครองวิมานต่อไปอีกเถิดวิทุระบัณฑิตกลาบทูลว่าข้าแต่พญานาค ก, ก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรส พระธิดาพระชายาทั้งพระญาติและข้าเฝ้าของพระองค์ผู้อุบัตในวิมานนี้มีอยู่ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายในนาคที่เป็นพระโอรสเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิเถิดพระองค์ทรงรักษาความไม่ประทุษร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้พระองค์ดํารงอยู่ในวิมานนี้ได้จนตลอดพระชนมายุแล้ว จากเสด็จไปสู่เทวโลกซึ่งสูงขึ้นไปกว่าหน้าพิภพนี้ปุณกกะยะกล่าวว่าท่านเป็นอมากผู้ชีพของพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์ใดพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์นั้นพรากจากท่านแล้วย่อมทรงเศร้าโศกแน่ทีเดียวคนผู้ถูกความทุกข์ครอบงำก็ดีคนผู้ป่วยหนักก็ดีได้สมาคมกับท่านแล้วพึงได้ความสุขวิทุระบันเดกกราบทูลว่า ข้าแต่พญานาคพระองค์ตรัธรรมของเหล่าสัตบุรุษซึ่งเป็นส่วนแห่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่นักปราชญ์ได้ประพฤติดีแล้วโดยแท้เพราะบรรดาอันตรายทั้งหลายเมื่อภัยเช่นนี้เกิดขึ้นคุณวิเศษของเหล่าบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ย่อมปรากฏพญานาคตรัธรรมว่าขอท่านจงบอกเราปุณณะยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่เปล่าหรือขอท่านจงบอกเรา ปุณณะยักษ์นี้ชนะในการเล่นการพนันจึงได้ท่านมาปุณณะยักษ์นี้บอกว่าได้ท่านมาโดยธรรมท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุณณะยักษ์นี้ได้อย่างไรวริทุรบัณฑิตทูลตอบว่าปุณณะยักษ์นี้เล่นการพนันชนะพระราชาของข้าพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกรุงอินทปัตตนั้นพระราชาพระองค์นั้นที่ปุณณะยักษ์ชนะแล้ว จึงได้ทรงพระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณกะยักษ์นี้ปุณกะยักษ์นี้จึงได้ข้าพระองค์มาโดยธรรมมิชัยได้มาโดยไม่เป็นธรรมพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าในการนั้นพญาหน้าผู้ประเสริฐทรงสดับคําสุภาษิตของวิทุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราดแล้วทรงชื่นชมสมนัตมีพระไทยเต็มตื้นด้วยปีติ จงจูงมือวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ต่ำชามได้เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของพระชายาตรัสว่าน้องวิมาลาเพราะเหตุใดน้องจึงผอมเหลืองเพราะเหตุใดน้องจึงไม่ชอบสวยพระกรยาหารปกเกียรติคุณเช่นนั้นของเราไม่มีท่านผู้นี้คือวิทุระบัณฑิตผู้บรรเทาความเมื่อของโลกทั้งปวงนี้คือผู้ที่น้องต้องการหัวใจ ผูท้ทำความสว่างสวัยมาถึงแล้วเชิญน้องตั้งใจฟังถ้อยคําของท่านการที่จะได้เห็นท่านอีกเป็นการหาได้ยากพระศาสดาตรัสต่อไปว่านางวิมลาทอดพระเนรเห็นวิทุระบัณฑิตนั้นผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินแล้วมีพระไทยยินดีโสมนัสทรงยกพระองคุลีทั้งสิบนิ้วขึ้นไหวและตรัสกับวิทุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราดประเสริฐที่สุดแห่งชาวกรุรัฐว่า ท่านเป็นมนุษย์มาเห็นหน้าพิภพที่ตนไม่เคยเห็นถูกภัยคือความตายคุกคามแล้วไม่กลัวและไม่อภิวาทอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่มีแก่ผู้มีปัญญาวิทุระบันดิดกกราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีข้าพระองค์ไม่กลัวและไม่ถูกภัยคือความตายคุกคามนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนคนจะกราบไหว้ผู้ปรารถนาจะฆ่าตนหรือผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะพึงให้ผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนได้อย่างไรกรำนั้นย่อมไม่สำเร็จนางนาควิมลาตรัสว่าบัณฑิตคำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูดท่านพูดจริงนักโทษประหารไม่ควรกราบไหว้เพชฌฆาต หรือเพชฌฆ่าก็ไม่ควรให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนคนจะกราบไหว้ผู้ปรารถนาจะฆ่าตนหรือผู้ที่ปรารถนาจะฆ่าเขาจะเพิ่มให้ผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนได้อย่างไรกรรมนั้นย่อมไม่สำเร็จวิทุระบัณฑิตทูลถามว่าฆ่าแต่นางหน้ากัญญาวิมานนี้ของพระองค์นี้เป็นของไม่เที่ยมแต่เป็นเหมือนเที่ยงฤทธิ์ความรุ่งเรืองกำลังความเพียร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 นางนาควิมาลาตอบว่าวิมานี้ฉันจะได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หาไม่ได้จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หาไม่ได้ฉันไม่ได้ทําขึ้นเองเหล่าเทวดาก็ไม่ได้ถวายวิมานี้ฉันได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ต่ําซามของฉันเองวิทุระบัณฑิตทูลถามว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีอะไรเป็นวัดอะไรเป็นพระมรรจันของพระองค์ฤทธ ความรุ่งเรืองกำลังความเพียรและการอุบัติในหน้าพิภพทั้งวิมานใหญ่ของพระองค์นี้เป็นผลของกรรมอะไรที่พระองค์ได้ประพฤติไว้ดีแล้วนางหน้าวิมาลาตอบว่าฉันและพระสวามีของฉันทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทานาบดีครั้งนั้นเรือนของฉันเป็นดังบ่อน้ำฉันได้บำรุงสมณะและพรามทั้งหลายให้อิ่มน้ำสำราญแล้ว ฉันและพระสวามีได้ถวายทานคือดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องประทีปที่นอนที่พักผ้านุ่งหม่มผ้าปูนอนข้าวและน้ําโดยเคารพทานที่ได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของฉันและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของฉันท่านนักปราชญ์ฤทธิ์ความรุ่งเรืองกําลังความเพียรการอุบัติในหน้าคพิภพและวิมานใหญ่ของฉันนี้ เป็นผลแห่งวัดและพรหมจรรย์ น, นั้นที่ฉันประพฤติ ด, ดีแล้ววิทุรบัณฑิตทูลถามว่าถ้าวิมานนี้พระองค์ทรงได้มาด้วยอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้พระองค์ย่อมทรงทราบผลบุญและทราบการอุบัติในหน้าพิภพเ พ, พราะผลบุญเพราะเหตุนั้นแหละขอพระองค์อย่าทรงประมาทจงทรงประพฤติธรรมตามที่ได้ครอบครองวิมานนี้ต่อไปเถิดนางนาควิมาลากล่าวว่า ท่านบัณฑิตในหน้าพิภพนี้ไม่มีสมณะและพราหมณ์ที่ฉันจะถวายข้าวและน้ำเลยฉันถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แก่ฉันโดยที่ฉันจะพึงได้ครอบครองวิมานต่อไปอีกเถิดวิทุระบัณฑิตกล่าบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีก้นาค้ทั้งหลายที่เป็นพระโอรสพระธิดาพระสวามีทั้งพระญาติและข้าเฝ้าของพระองค์ผู้อุบัตในวิมานนี้มีอยู่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 ที่นักปราได้ประพฤติดีแล้วโดยแท้เพราะบรรดาอันตรายทั้งหลายเมื่อภัยเช่นนี้เกิดขึ้นคุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข่าพระองค์ย่อมปรากฏนางแน่วิมลาตรัสถามว่าขอท่านจงบอกเราปุณกะยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าเปล่าหรือขอท่านจงบอกเราปุณกะยักษ์นี้ชนะในการเล่นการพนันจึงได้ท่านมาปุณกะยักษ์นี้บอกว่า ได้ท่านมาโดยธรรมท่านตกอยู่ในเงื้อมือของปุณกะยักษ์นี้ได้อย่างไรวิธุระบัณฑิกกล่าบทูลว่าปุณกะยักษ์นี้เล่นการพนันชนะพระราชาของข้าพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกรุงอินทปัตนั้นพระราชาพระองค์นั้นที่ปุณกะยักษ์ชนะแล้วจึงได้ทรงพระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณกะยักษ์นี้ปุณกะยักษ์นี้จึงได้ข้าพระองค์มาโดยธรรม มิใช่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้จึงตรัสว่าพญานาควรุณะได้ตรากถามปัญหากับบัณฑิตฉันใดแม้พระนางวิมลานากัญญาก็ตรากถามปัญหากับบัณฑิตฉันนั้นวิจุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราดที่พญานาควรุณะตรากถามแล้วได้พยากรปัญหาให้พญานาควรุณะทรงยินดีฉันใดแม้พระนางวิมลานากัญญา ก็ให้ทรงยินดีฉันนั้นวิทุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราทราบว่าพญานาคผู้ประเสริฐและนางนาคกัญญาทั้งสองพระองค์นั้นพอพระไทยก็ไม่แกร่งครามไม่กลัวไม่ขนพองสยองกล้าวเด็กกราดทูลเท้าวรุณนาคราชว่าข้าแต่พญานาคพระองค์อย่าทรงวิตกเลยข้าพระองค์เป็นสวยขอพระองค์จงทรงทำกิจด้วยเนื้อหาไทยตามที่พระองค์ทรงประสงค์เถิด ข้าพระองค์จะทําลายชรีระนี้ตามพระประสงค์ของพระองค์เองพญานาคตรัสว่าปัญญานั่นเองเป็นหัวใจของบัณฑิตทั้งหลายพวกเรายินดีด้วยปัญญาของท่านยิ่งนักขอปุณกะเสนาบดีของยักษ์จงได้ปัญญาณวันนี้และจงไปส่งท่านให้ถึงแควนกุรุในวันเดียวกันนี้เถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า ปุณณะยักษ์นั้นได้นางอิรันธดีนากญญาแล้วก็มีใจชื่นชมโสมนัสได้กล่าวกับวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐที่สุดแห่งชาวแขวงกุรุว่าท่านวิทุระบัณฑิตท่านได้ทําให้ข้าพเจ้าพร้อมเพรียงกับพันยาข้าพเจ้าจะทํากิจให้แก่ท่านจะให้รัตนะเกลืแก้วมณีนี้แก่ท่านและจะนําท่านไปส่งให้ถึงแควงกุรุในวันนี้เลยทีเดียววิทุระบัณฑิตกล่าวว่า ปัจานะขอท่านจงมีเมตตีอย่าได้แตกแยกกับพัญญาผู้น่ารักของท่านตลอดไปเถิดขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเบิก บ, บานมีปิติสมนัสท่านได้ให้แก้วมณีแล้วขอจงนำข้าพเจ้าไปยังกรุงอินทปัต ด, ด้วยเถิดพระศาสดาตรัส ต, ต่อไปว่าปุณกกะยักษ์นั้นเชิญให้วิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุซึ่งมีปัญญาไม่ตาแาม ให้ขึ้นนั่งบนอาสนะข้างหน้าของตนแล้วนำไปยังกรุงอินทปัตปุณกกายักษ์นั้นได้นำวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุไปสู่กรุงอินทปัตได้เร็วยิ่ยงกว่าใจของมนุษย์คิดไปรับอารมณ์เสียอีกปุณกกายักษ์กล่าวว่าโน่นกรุงอินทปัดปรากฏอยู่และป่ามะม่วงที่น่ารื่นรมก็เห็นเป็นย่อมยอมข้าพเจ้าพร้อมกับพรญญาและท่าน ก็ได้ถึงที่พักอาศัยของตนพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าปุณญกะยักษ์ผู้มีผิวพันธ์ผุดพองนั้นได้ยกวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐที่สุดของชาวแคว้นกุรุลงไว้ในถ้ำกลางธรรมสภาแล้วก็ขึ้นมาอาชาในเหาะไปในอากาศกลางหาวพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นวิทุระบัณฑิตนั้นแล้วทรงพระปรีดาปราโมทเป็นอย่างยิ่ง เสด็จลุกขึ้นสวมกอดวิธุระบันดิตด้วยพระพาหาทั้งสองไม่ทรงหวันไหวทรงเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะทากลางธรรมสภาตรงพระพักตรัสว่าท่านเป็นผู้แนะนำพวกเราเหมือนนายสารถีบังคับรถหุ้มเกราะชาวแควนคุรุทั้งหลายยินดีเพราะได้เห็นท่านเราได้ถามท่านแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นท่านพ้นจากมานกมาได้อย่างไร วิทุระบัณดิตกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนซึ่งแกล้วกล้าและประเสริฐกว่าคนผู้ที่พระองค์เรียกว่ามานพนั้นมิใช่มนุษย์เขาเป็นยักษ์ชื่อปุณณะพระองค์ก็ทรงเคยได้ราบชื่อมาแล้วก็ปุณณะยักษ์นั้นเป็นอมากผู้ชีพของเท้ากูเวนพญานาทรงพระนามว่าวรุณะผู้ครองนาพิภพมีพระกายใหญ่สะอาด สมบูรณ์ด้วยผิวพรรณและกำลังปุณกยักษ์รักปรารถนานางนากัญญาชื่ออิรันทดีผู้เป็นธิดาของพญานาคนั้นปุณกยักษ์นั้นจึงตกลงใจจะก่าข่าพระองค์เพราะเหตุแห่งนางอิรันทดีผู้มีเอวบางร่างน้อยน่ารักก็ปุณกยักษ์นั้นแหลเป็นผู้พร้อมเพลียงกับพรญญาส่วนข่าพระองค์ได้รับอนุญาตพญานาคมาและได้แก้วมณีมาด้วย พระราชาตรัสว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดริมประตูราชมนลเทียนของเรามีปัญญาเป็นลำต้นมีศีลเป็นกิ่งต้นไม้นั้นผลิผลต้องตามอัดและทามีผลเป็นปัญเจโครถดารดาดาษไปด้วยช้างม้าและโคเมื่อมหาชนกำลังทาการบูชาต้นไม้นั้นเล่นเพลินอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องและดนตรี มีบุรุษคนหนึ่งไล่ทหารให้หนีไปแล้วถอนต้นไม้นั้นไปด้วยต้นไม้ของเรานั้นกลับคืนมาตั้งอยู่ตามเดิมวิทุระบัณฑิตนี้ก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่นั้นกลับคืนมาสู่ที่อยู่ของตนตามเดิมแล้วขอท่านทั้งหลายจงทําความเคารพนบนอกแก่ต้นไม้นี้เถิดขอเชิญอมาดเหล่าใดเหล่าหนึง่งผู้มีความปลื้มใจด้วยยศที่ได้เพราะอาศัยเราทุกๆ ท, ท่านทีเดียว จงแสดงความปลื้มใจของตนให้ปรากฏในวันนี้เถิดท่านกระทำบรรณาการให้มากแล้วจงทำความเคารพ น, นอบน้อมแก่ต้นไม้นี้เถิดสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถูกผูกไว้และขังไว้ซึ่งมีอยู่ในแวนแคว้นของเราขอชนทั้งหลายจงปล่อยสัตว์เหล่านั้นจากเครื่องผูกให้หมดเถิดวิทุระบัณฑิตนี้หลุดพ้นจากการจองจำแล้วชั้นใดขอสัตว์เหล่านั้นจงหลุดพ้นจากเครื่องผูกฉันนั้นเหมือนกัน ขอพวกชาวนาชาวไร่จงหยุดพักคราดไถไว้เล่นมหรสพตลอดเดือนหนึ่งนี้เถิดขอเชิญพราหมณ์ทั้งหลายจงมาบริโภคข้าวที่เจือด้วยเนื้อพวกนักเลงสุราและพวกที่ชอบดื่มสุราจงดื่มจากถ้วยที่เต็มเปี่ยมพวกหญิงแพร่สยามที่อาศัยอยู่ตามถนนใหญ่จงเล้าโลมชายผู้มีความต้องการเป็นนิดอันหนึ่งราชบุตรทั้งหลายจงจัดแจงการรักษาในแคว้นให้เข้มแข็ง อย่าได้เบียดเบียนกันแล้วกันขอท่านทั้งหลายจงทําความเคารพยํำเกรงแก่ต้นไม้นี้เถิดเมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วพระสนมกํานันในพระกุมารแพทยและพวกพราหมณ์ได้นำข้าวและน้าเป็นอันมากมาให้วิทุระบัณฑิตกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบได้นำข้าวและน้ำเป็นอันมากมาให้วิทุระบัณฑิต ชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้วต่างพากันนำข้าวและน้ำเป็นอันมากมาให้วิทุระบัณฑิตชนเป็นจำนวนมากเห็นวิทุระบัณฑิตกลับมาถึงแล้วต่างก็เลื่อมใสครั้นวิทุระบัณฑิตมาถึงโดยลำดับแล้วต่างโบกผ้าไปมาด้วยประการชนี้แลวิธุระชาดกที่เก้าจบ